ใจใจเจอธรรมจักทั้งออกาา่ า, าทั้งวาจาทั้งกิจใสแจ่มกำเนิดความสุขดีวันนี้ก็เป็นวันอาสฬหะบูชาวันเป็นเดือนแปดแต่ปีนี้มันเป็น แปดสองหมอนมาเป็นวันเพลนเดืน <c oughs> อนเก้านับจากการตัดรูของพระเจ้าสอง0ันหรอยปีกับอีเก้าสิบวันมาถึงวันนี้รอบหนึ่งอีกที่พวกเราได้มีโอกาส รอบเดังได้ไมาเรื่องกันวรรณาสลาพูชามาสมถทานฉินมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็มีชีวิตมาถึงนี่แล้วพอต่อยอดไปเรื่อยๆไป นะปฏิบัติธรรมก็คือมาเรียนรู้จากความรู้มาเรียนรู้จากผู้รูก้การเรียนรู้จากผู้รู้หรือการเรียนรู้จากตำรตาตำปานหนังสือ <c oughs> ต้องเอาจำเอาอันนั้นเป็นความรู้ทางโลกโลกความรูท้ทางพุทธศาสนาทางธรรมะ มาเรียนรู้จากสภาที่มันที่ความรู้ภาวะที่รู้ที่มันเกิดขึ้นเกิดกายกใจเราดีเมื่อเราปฏิบัติจะได้เห็นภาวะที่รูน้นี้ให้ภาวะที่รู้สอนกายสอนใจเราสิ่งที่มันไม่ใช่รู้เกิดขึ้นในกายที่ใจมากาย อาธิัทานจะมีโอกาสสอนเองได้มากมายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับกายกับใจอาวาทิลูจะไสอนสิ่งที่ผิดให้เกิดความลูกขึ้นมาสิ่งไหนไม่ใช่ความลูกเป็นสิ่งที่ผิดเมื่อถูกสอนมาบ่อยก็จะเชื่ อ, ลองลง จะดีขึ้นเลื่อนเรามีสติอดตรงกับความหลงมีสติดูก่ายเคลื่อนไหวคู่แขนเข้าเยื้แ ข, น, ข, แขนออกจิตมาเกิด ท, ที่มันหลงขึ้นมาก็ปุขึ้นมาแต่เราให้ความรู้ตั้งไว้แล้วก็ไปทักท่วงรู้ เห็นสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกลับมาตั้งไว้ความรู้จึกตัวข้างเล่าข้างเล่านอกจากความหลงจากความคิดธิความหลงจากอาการต่างที่เกิดขึ้นไกยกันมากก็จะกลับมาเหมือนเดิมมามีความรู้สึกตัวที่กูเขียนเข้าเหยอะเขียนดอกนี่คือเรียนรู้จากสภาวะที่รู้ จะเลียนรู้จากสภาวะที่รู้เช่นนี้ที่เกิดเป็นพุท ธ, ธะมีศีลมีสมาธิเหมยยาแปลนเครื่องทำให้เกิดการหลุดพ้นจากอาการ่างๆางได้เป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาได้พุท ธ, ธะในภาวะที่รู้มากกว่าอันอื่น เหมือนกับเราฟังพระสูตรที่สวดธรรมจัจจธรรมเทศนากนหแรกของพระเจ้าเเรื่องดีทั้งนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเป็นงสติรู้ขันเข้าเจฉันโด่งจนจุดเดีวนี้ชัดเจนแม่นยำไปต้องถามใคร นอยู่พร้อมแล้วได้บทเรียนเยอะแยะที่มันเกิดจากการสะใจเรานี้เมื่อได้บทเรียนก็มีประสบการณ์ไม่ว่าเราทาําอะไรถ้ามีประสบการณ์มีบทเรียนกับสิ่งที่ผิดที่ถูกแลก็มีความจานานรู้แจ้งรู้ยิ่งขึ้นเกิดวิปัจจ า, านญาณขึ้นมา องพ้นภาวะาขกเก่ า, กาได้อันนั่งกุละได้แล้วอย่างที่เราสาเทียพชุดทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วทุกรู้แจ้งแล้วทำได้แล้วอย่างที่เกิดทุกเรารู้แล้วทำให้แจ้งแล้วละได้แล้ววิธี ท, ท, ทาให้ก้นจากความทุกเราทำได้แล้วทำให้เกิดนี้ขึ้นแล้ว พราะมันอยู่ในสมถันมาเองได้เห็นเองผู้ปฏิบัติจ้ำเห็นเองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจเรานี่ยเราเห็นเองแล้วก็คือเรื่องเก่าอย่องทุกข์สมถะในโลภะคือเรื่องเก่าๆไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเอาเรื่องเก่าภาวะที่ลูกเข้าไปเฉลย เหมือนเดิมมันก็ย่อมจะไม่ชำนานมากขึ้นไม่รู้ก็รู้แล้วยังไม่ทำมํำมาได้ก็ทําได้แล้วไม่แจ้งก็ทําให้แจ้งแล้วทําไม่เกิดมีได้แล้วว่าได้ทำหลงไปนั้นหลงก็ได้รู้หลงไปในความหลงเรื่องรู้กระเทินที่ความหลง ลองรู้ไปเตือนที่ความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับปากับใจเราเนี่ยเรียกว่าอริสัตต์เรียกว่าอาริสัตาาต์ของจริงที่มันเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่มันก็ไปตรงตรงกับความรู้จักตัว มันไม่ก็เปิดเผยไม่ปิดบังอําพลางถ้ามีสติไม่มีตัวไหนปิดบังอําพลางในการใจเรานี่ได้บทเรียนเยอะแยะได้ประสบการณ์เยอะแยะที่ได้พบได้เห็นเรื่องอาการต่างที่เกิดกับนมากับใจเปรนเป็นสูตรเป็นสูตรไป ผู้ปฏิบัติก็ยอมใยเห็นโน่นเห็นนี่เป็นหมวดเป็นโมอะไรใช้ได้เราใช้ไม่ได้เห็นความหลงมันใช้ไม่ได้เหงื่อมรู้สึกตัวมันใช้ได้เหงมทุกข์มันใช้ไม่ได้ความรู้สึกตัวความไม่ทุกข์มันใช้ได้พอแต่สัมผัสตอบไปเองไม่มีคําถาม ความจริงความเท็จเป็นยังไงไต้องไปถามใคระไรที่มันเกิดกับกายเกับใจเรานี่สเว็นความเท็จความจริงถ้ามีสติเป็นที่ตั้งสติเป็นเจ้าทินสติเป็นเจ้าของสติเป็นผู้ดูแลถ้าไดส้สติเป็นผู้เูแลกายชำนาญนกายสติชำนาญน จ, จิตใจ เรื่องอะเกิดขึ้นมีอานาจอานาจในความรู้จึกตัวก็กลายเป็นธรรมเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อกายต่อใจเมื่อกลายใจต้องรับความเป็นธรรมแล้วอะไรที่ไม่เป็นธรรมก็ตื่นเรื่องล้นที่แก่ขุดเขวออกมาเช่นทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้มีไม่ได้แน่นอนเฉยไม่ได้แต่ชีวะความทุก ถ้ามีสติก็ต้องดูแลเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกยุ่งให้เตยยุงไม่ให้เตยเลยไม่ให้ตอมอ๋อจนเจออะไรเที่ยมทำให้เกิดโกเกลลูลูกลูลองหายอ๋อาสาเหตุสติที่เป็นสติปัฏานยิ่งเป็นเกิด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 กมัมมากรรมจัดทุกสังฆกรรมจัดทุกหลังที่เราสวดพุโตทุกขัสาคาตาจาวิคาตาจายิตาจมีพระเจ้าเป็นเครื่องกับจัดทุกมันไม่ใชอย่างอื่นต่โมทุกขัะธรรมัสสะาตาจายิตาจมีพระธรรมเป็นเครื่องกับจัดทุกพรสมฆ์เป็นเครื่องกับจัดทุกมันเป็นเครื่องกับจัดทุกไม่ใช่มีใครมาช่วย เราสร้างขึ้นในตัวเราแล้วภาวะที่รู้เนี่ยเกิดเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมายูแลได้คุ้มครองได้กําจัดได้้อเราทำ็นแล้วเกิดไปเองจึงเรียกว่าได้ทำให้เกิดมิได้แล้ว ทำไม่เกิดมีได้แล้วในอริยจัติในเราทั้งหลายอะไรที่มันมีตรงไหนทำได้แล้วทำได้แล้วทำเป็นแล้วก่อนที่ทํทำเป็นทำได้ต้องฝึงหัดไม่ใช่ไปใช่เหอุใช่ผลสัมผัสสัมผัสตัวเอง <c oughs> มีสติสัมปัตกับกายมีสติสัมปัตกับใจอะไรกับใจต่อกันอะไรกับรู้เกิดกับกายกับรู้มาถึงภาวะที่รู้ก็จบแค่นี้อะไรเกิดกับจิตใจก็มาถึงภาวะที่รู้สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ก็มีกรรมฐานมีนิมิตมีที่ตั้งที่ที่แรกก็หัดที่ตั้งมีนิมิต ก, กับบางเองที่แรกก็ต้องกลับมาขวนขวยทวนกระแสหัดไปหัดไปไม่ได้ไม่ได้ทวนกระแสไหลมันง่ายก็ไม่ได้เพิกถ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องเพิกจำนานเวลาหัดเขียนหนังสือจะได้ก็ใช้บันทัด ต่อไปต้องอาศัยบรรทัดตรงไปเองหัตอะไรก็จำนานเรื่องนันมันหัดได้มันสอนได้ยิ่งสติไปในกายยิ่งสอนได้ทุกเรื่องทุกเหล่าสติมีในใจก็ยิ่งสอนใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกเหล่าโอ๋อะไรมันไม่จริงเท่ากับสติไม่ใช่เท่ากับความรู้จักตัว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 หลงไม่เป็นหลงหลงเป็นลูกไปเจนแล้วทุกเป็นลูกไปจนแล้วอะไรก็เป็นลูกไปเจนแล้วมันแล้วทําอะไรไม่นต้องแล้วถ้าทําไม่แล้วมัวรวยทํามันทําไมทําหลายก็ต้องเสดลงไปทำนาก็นาเสดกเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวเสด สางบ้างเราสร้างเสรจอันนี้มาสร้างสติไปในกายในจิตนี่อะไรที่ไม่ใช่ ส, สติก็เสร็จลงมาได้กายเป็นทำรักษาผู้พิทังอยู่เป็นนิจทำก็จ่รักษาผู้พิทังไม่ตกไปนที่ชั่วเป็นแบบเอง ใหเหมือกับซับภายใ น, นับภายนอกการเปินของที่ใช้ในทุกโอกาสในเรื่องที่เกิดทุกเกิดโ ท, ก เ, ทเกิดเจ็เจ็บตายช่วยจนถึงเวลาเจ๋เจ็บเจ็บตายไม่ทำไม่เจ็บไม่ทําให้เจ็บไม่ทําให้ตายผู้คงตายไม่ได้เจ็บหู้คเจ็บไม่ได้ทุกผู้คนทุก เป็นอย่างนี้อริชอบภายในคือสติปัญญาว่าธรรมะเนี่ยทุกคนก็มีการมีใจหลายใจมาตั้งให้เกิดความรู้ให้ความรู้จากตัวสอนกายสอนใจคนอื่นสอนม่ได้ความรู้เท่านั้นรู้จากตัวท่านเป็นครูที่สอนกายสอนใจได้ <c oughs> ก็กอบขึ้นมาให้มันมีทําให้มีได้แล้วทาให้เกิดมีได้แล้วถ้ามีก็ใช่ได้ใช่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใช่ชีวิตต๋อที่ผ่านมาได้ใช่ภาวะที่รู้นี่คุ้มค่าไหมอะไรมาเป็นเจ้าของกายอะไรมาเป็นเจ้าของจิตใจ เกิดกับการก็เป็นอะไรไปไปถึงสองสองอย่างคือรูปคือนามกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์มันมีความรู้ไหมมันกุ้มข้าไหมไปโทษอะไรเอาโทษปุนวาสนาที่ไหน ระโทษครเรื่องที่เกิดขึ้นเราไปโทษใครโทษคนอื่นหรือเขาว่าเราพอททำให้เราอนาคตไม่ไม่จบสักทีเราญาติพี่ป้าทมต้องมาดูแต่ตัวเองไม่ต่ปไปโทษใครถ้ามีเตีนะ ตอนนี้ปวดเดือนเยอะแยะที่มาเกิดกับกากับใจถ้า เ, ออเรื่องกาย ร, รื่องใจสอนกายสอนใจได้แล้วอันอื่นไม่มีปัญหามาจากเน้นทา้าสันเฉินสุขทุกข์อะไรต่างๆเกิดเจะสลายไม่มีปัญหาผู้ฝึกตนได้แล้วไมีสติดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเน้นทา้าฉันเฉิน ลูกเจ้าว่าอย่างนั้นเหมือนผู้ขอสิลาแทงทิบไม่สถเยือนเพราะหลมฉันไดผู้ฝึกตอนดีแล้วมีสติเป็ในการในใจดีแล้วไม่สเทืนอนเพราะหนินตาสั น, นเฉินเคยเจเจ็บตามันเป็นอย่างนี้ธรรมะขอจะใครมาได้ตัวใครตัวมันต้องสร้างเอาประกอบเอามีอุปกรณ์แล้ว วิชากรรมฐานก็มีแล้วโอ้เยเจ้าให้ตัดสู้เพราทำอย่างนี้นั่งกู้แขนเข้านั่งเหยียดฉขอนออกมีเขนมีมือไหมมีทุกคนคู่ฉขนเข้าทำไมจึงคู่แขนเข้าอาศัยวัดสดุอุปกรณ์ผิดให้เกิดความรู้จะคิดเอาไม่ได้ มันลู้ความจริงที่มันเป็นปัจจัต่ังถ้ามันเคลื่อนไหวเป็นหลักเป็นนิมิตมันจะไม่เป็นปัจจุบังไม่เป็นปัจจุบันมันจะเป็นอดีตเป็นดาคตปัจปัจจุบันคือมันขณะดเป็นขนะคู่แข่งเขาเหยื่อฉขนดอกเป็นข้างเป็นข้างกับลูกเป็นข้างเป็นข้าง ไปพร้อมๆกันกับนิมิตที่มันเคลื่อนไหวการหัด ต, ต้องมีรูปแบบการฝึกหัดไม่ว่าหัดอะไรต้องจับลงไปสัมผัสลงไปถ้าไม่สัมผัสไม่จับมันก็ไม่เปลนการมาสัมผัสกับสถีต้อง ก็หัดเช่นเดียวกันกับวัตถุออื่นกลายเป็นมิติตั้งสู้เฉือนเข้ารู้สึกเยอะเฉือนกรู้สึกไปต่อลงไปจากนี้มันจะเป็นปัจจุบันเมื่อมันตั้งอยู่ในปัจจุบันนานๆก็จะไม่ชานานจะไม่ชานานเหมือนกับต้นก้าต้นข้าวฝองลงดินมันมีที่ตั้ง มันตั้งอยู่เฉยๆมันก็ยอบออกรากย่างลากลงไปพัฒนาตัวมันเองโตขึ้นมาเป็นเกิดอต่อผลผลได้สติมันตั้งปฏิเดชการน่ยมันเป็นที่เกิดของมรรคผลนิพพานสติตั้งวัตถิใจมันเป็นที่เกิดของมรรคผลนิพพานต่อยอดถ้าเป็น มักเป็นผลได้ที่กายที่ใจนี้มีกายมีใจเอาใช้กายใส้ใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวอย่าใช้กายใช้ใจเป็นที่ตั้งของอันอื่นมันเคยอันหนึ่งมันเคยตั้งเวลานมาแล้วจีกก็พันห้าตั้งหนาก็ร8อยแปดมา พื้นภูกายพื้นผูใจให้มีจิตเหมือนพื้นภูป่าไรกอนดินนดินแถวนี้ที่เราอยู่นี่เป็นป่าย่้าคาป่าพงก็ไม่มีคุณค่าต่อแผ่นดินต่อพุนุษ <c oughs> พื้นภูจะปลูกต้นไม้ลงไป ก่อปลูกต้นไม้ก็มาได้เจรตต้นไม้เลยต้นยญ้าต้นพุงก็ยังเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องขยันต้นนี้มันก็ต้องถางต้องดาย้าอันไหนที่ไม่ใช่ต้นไม้ทเราปลูกด่ายออกไปเราด่ายออกไปตอนที่เราด่ายต้นอื่นๆออกไปต้นไม้ที่เราปลูกงามมีโอกาสงามขึ้นฝึกกายฝึกใจก็เหมือนกันเอาความหลงอกไป ความูกงามขึ้นเอาความทุกขก์ปอยความรู้งามขึ้นมาความโกรธปลยความลู้งามขึ้นมามัไม่ใช่ความรู้หมนตน้นหาที่เราปกต้นข้าปลู ก, กนดงปล อ, อยปลูกข้าวาต้องจก เราจอกช่วยเหลือมีศรัทธาช่วยมีความเพียรช่วยลงไปมีสมาธิมั่นใจลงไปเรี่ยวแรงลงไปสามารถเปลี่ยนได้มีกำลังเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนอะไรเป็นความรู้สมาธิปัญญารู้เห็นเรื่อง หลงไม่ถูกต้องก็มไม่หลงถูกต้องปันญากก็รอบๆ อ, อยู่วงนอกวงเล็บข้างนอกไว้ไมาให้หลดไปได้ยอมมาได้จำนนมาได้ปล่อยทิ้งม่ได้นี่คือฝึกตนสอนตนที้เกิดความขยันขึ้นมาเอาไปมาก็หมดได้ ต้นขาป่าพงยา้าขาป่าพงก็หมดได้ไม่มีสักเส้นเดียวเลยกลาเป็นป่าเป็นดงขึ้นมาแทนป่าพงป่าห้าขาในอากาศในใจเรวนี้มีอะไรบางคนก็แต่เปแต่ป่ามาปล่อยทิ้งมานานอาจจะลุกลุ่มหลังมากว่าจะสร้างสติคู่าเขียนเข้าเยอะต่อมันคิดไปโน่นคิดไปนี่นั่นแเละนั่นเลยงานของเรา ทำไมจึงคิดทำไมจึงคิดอย่าไปว่าเฮ้ยมันดีด้วยมันคิดนด้嘛จะได้รู้ามคิดจะเห็นนมันอยู่นี่หรือไงมันอยู่นี่หรือไงมันเหตุมันเกิดที่นี่หรือมันหลงนี่เปล่าป่าลู่นี่เหละนี่เหละที่เรื่องอริยสี่ทุกสมมติฐานที่นวดมากหลง ทุกคือจงังไรทุกก็ต้องกําหนดรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคำว่าทุกอย่างรู้ชัดเจนไม่เป็นโศกแน่ดอนไม่ใช่สติเห็นที้เกิดทุกข์ละได้แล้วละแล้วกําลังละอยู่ลลแล้ ว, ลล ว, ไไลว ก, ก, ก็ละได้แล้วละได้แล้วอโดยทำอย่างนี้ถ้าได้แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ละได้แล้ว สิ่งที่ทำยังไม่แจ้งทำแจ้งให้แจ้งแล้วทําได้แล้วแจ้งแล้วทําไม่มีเกิดขึ้นแล้วเรื่องเดียวมีประวัติสามมากาญสิบสองเราจะพูดภาษาปฏิบัติทุกเห็นแล้วเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเหตุที่เหตุล่ะพ้นจากทุกนี่ประวัติสาม ในอริยสัจสี่ทุกสมมติไทยในโลธมักงสี่อย่างเนี่ยมีประวัติสามเหมือนกันหมดทุกตูแล้วทุกเข็นแล้วไม่เป็นทุกพ้นจากทุกทำได้แล้วนี่เห็นใดเกิดทุกละแล้วกำลังละอยู่ละละแล้วพ้นแล้วหักหนีงู เห็นงูชูขอแพ่เบี้ยเบี้ยเหมือนเห็นทุกเ ห, เห็นเนี่ยอยู่เป็นความปลอดภัยหนึ่งเห็นเนี่ยภาวะทีเออ่เห็นนี่ยปลอดภัยบ้างนะเอเห็นหล้คนเห็นงูเหมือนคนเห็นทุกคนเห็นความโกรธตัวตินะก็จะไม่ให้งูกัะเดนออกไป กำลังออกไปหนีไปห่างไกลไปถ้าเข้าหนึ่งสองเก้าไปแล้วออกไปแล้วเราไปกลกพล็พ้นแล้วพ้นแล้วนู่นงูอยู่นู่นพ้นแล้วจะกูมีประวัติสามอย่างนี้อะไรก็ตามให้ให้ชัดเกยให้แก่มแย้งให้ทะลุทะลวงอย่าทำเล่น กบกบกวนเกื่อนมันจะไม่แกมแจ้งอย่ากบเกื่อนอย่าทำเด่นเดนอะไรเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่จติการฝึกตนสอนตอนนี้ต้องจัดเกณฑ์แม่นยำเป็นท้านั่งถ้าท่านั่งมันทำไ้ไม่สะดวกก็เปลี่ยนใหม่วางจังหวะนั่งใหม่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 ยะแก้ความโวงไม่ใช่ผอดไปทนอย่างอื่นหาวิธีช่วยเยอะแยะลุกขึ้นหรือมือลูปปัวรูปหน้ามองเท็ดมองทางออกไปจะก่อนอย่าไปสร้างจังหวะสู้ความโมงบงทียังมาสู้ไม่ได้ถ้าไม่เก่งถ้ามัมชํำนาน <c oughs> อาุอบายมีเยอะแยะเทคนิคไม่มีไม่มีูตรสำเร็จ ตัวใครตัวมันเหมือนประหลานสาโพรของพระเจ้าเอตตคะต่างกันในการมารรลุธรรมมศาสตร์มีศิล่างกันในความเดินชัดต่างกันเราจะดูล้วตัวเราให้ดูให้รู้ตัวเรา จริงๆดูโลกว่ามีอะไรมากมีการมีใจมีรูปมีน้ําเท่านี้อาการที่เกิดกับรูปของน้ํามันก็ไม่มีอะไรมากไม่เกิดขึ้นใหม่ไม่มีของเก่าความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแม้ความโกรธก็เกินเก่าความหลงเือนเก่าความรูหรือเรื่องเก่าอไม่ใช่เรื่องใหม่อะไแย่อยู่เนี่ยเก่านะ ไม่เกิดขึ้นใหม่เหมือนอันอื่นนะที่ตัหออ้หัก่อนเก่าไม่เกิดจากไหนอาจะเป็นเห mm hmm. มือนผู้เจ้าว่ากัน mm hmm. ละกุศลอกุศลคืออะไรอกุศลก็คือความหลงความโลกควงโกรธ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอกุศลหนึ่งสองสาม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 มีสติเลาะความชั่วในเระแล้วทำความดีไปในตัวจิตก็จะบริสุทธิ์ล้ะคองมชั่วกเป็นศแล้วทำความดีเป็ น, น, ป น, ส, มปนสมาธิจิตบริสุทธิ์เป็นปัญญาจึเป็นพวงเป็นพวงแปงทำจากหนึ่งได้ไปอีกหลายอย่างถ้าทำถูก เราทำผิดก็ไปได้หลายอย่างง่ายงายปฏิบัติธรรมเจริญจะตน่้เป็นเครื่องทุ่นแองชิงหนักให้เป็นเบาสิงยากให้เป็นง่ายเสมือนว่าถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าเหมือนของที่ปิดได้เปิดออกหื้นหืน สิงที่มัเกิดเก้อกว่ากันไปทั้งหมดไม่มีคําถามเหมือนกับสิ่งที่ปิดเปิดออกแล้วเหมือนสิ่งที่ควมไว้หงายขึ้นแล้วเหมือนคนหลมทางได้ขี้ทางไว้แล้วการปฏิบัติธรรมมันช่วยวเองได้ท่านวิญญาณ โต ว, วันโตเขินขึ้นมาโต ว, วันโตเขินขึ้นมาถ้าจัดเกณฑ์แม่งย่อมหนึ่งวันเจ็ดวันก็รมันเรื่องเก่าอมันลูกมันหลง ก, ก, ก, ก, ก็ลูกมันหลงก็ลูกมันทุกข์กลูกปาว่าที่ลูกตั้งไว้แล้วเป็นเจ้าถิ่นแล้วทำเรื่องเก่าอยู่น ไรเคยมากลุ้ลู่ลู่สำนานในความลู่ขึ้นมาสำนานในการใช่ความลู่ความลู่ก็เป็นความลู่ลูเหลกกันเดิมมีสติดูกายดูจิตมีจิตดูกิตคิดจะดูจิต่างกายจะดูกาอย่างมันไม่เอาอันที่ไม่ถูกต้องเช่นเห็นทุกทุกเนี่ยโอ้ทุกต้องตัวตัวมันก็เป็นตัว แล้วอ่นอื่นมาให้เป็นทุกข์นี่ยมันก็ขุดคุ้ยออกมาสุบุีหไม่ได้อดเลยบุดีดีหลุดไปเลยทำลายความโกรก็งเบาบางจางหายลงมันก็ไปกระทบ ก, กระเทญญานานือนย่นั้นแล้วทอย่างนี้มันกระทบไปเทือนอย่างนั้นเหมือนซักผ้าออนหน้านใจเอา ก้มยาสักผ้าแช่ไา้มันก็กำจัดเองผ้าก็สะอาดกําจัดของทุกบทก็เปลี่นถ้าทําถูกเป็นวิธีทําถูกต้องกรรมฐานเป็นความการทําได้ถูกต้องเรื่องกายเลื่อง ใ, ใจเราเ่งสิ่งที่ผิดทงให้ถูกต้องได้ทุกอย่างกรรมฐานนี่ยงยกว่าปฏิบัติธรรม พาธิบัตธรรมคือเปลี่ยนลายเป็นดีนี่มามีเท่าไหร่เปลี่ยนได้หมดสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจเลยเปลี่ยนได้ทุกอย่างจะมันเกลี้ยงเก่าหมดจดจาะเครื่องส่งหมงในโลกโกลงเป็นตน้นนี่ครบรอบมาถึงวันนี้อาสลาปูชาเป็นวันเพ็ญเดือนเก้าปีสองพนน่ห้าสิบห้า นับจากวันตัทลูบาได้ 2,600 ปีกับอีก90วันตอนนาฬาิราบูชานี่นับจากวันตัดลูบา3ามเดือน90วันเราก็มีอายุอยู่นี่ได้เห็นสัมปันกันอยู่นี่ไอยทำความดีต่อไปเถอะผู้หอง เอกายเอาใจมาทำความดีชีวิตมันหมดไปเรื่อยไปยาวไปทํำมาเดื่นเถอะสงวนกายสมวนใจเพื่อให้เกิดความดีให้มากที่สุดวิธีทำให้าาเกิดความดีได้มากก็คือโมจูนี้นวัดวาอ า, ามมีเพื่อนไม่มิตรไม่เป็นศัตรูกันไม่แย่งไม่แย่งเอางานกับการอะไรกันเพิ่นว่านเถอ สมัครใจเผ็นข้างเป็นขาวไม่แย่งไม่แบ่งปันวมาให้แบ่งปันให้เป็นส่วนตัวส่วนตัวลองใช้ชีวิตอย่างนี้ลองดูเถอโอ้เย่๋ยวนอกก็สามเดือนนี่เก้าสิบวันเนี่ยให้เต็มที่มีวัดปฏิบัติสำหรับตัวเองขีดเช่นไว้ทำมาหลายทำมหลายยายา อย่าเลยเธอๆครับเป็นเจ้าแบบเจ้าเพี้ยนจะลอยในระยะสามเดือนนี่บรรจัดอะไรที่เป็นขูดเกา่าเตงก็ไหวอธิษฐานในใจตัวใครตัวมันจะขุดเกา่าเตงแบบไหนมี ใ, ใจไหลที่บันเอ่อเป็นอยังไงมาแค่นิดสส่เอาขอนิจใสยใหม่ขอหนิจใัยจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมวินยัย เพื่อฝึกตนสอนตนจะมีคุณค่าขึ้นมาจะไม่เสียชาติถ้าไม่ฝึกเจะเลยปล่อยอยากกันดน้นยากกันนี่ก็ยากไปจนตายแล้วนะเาะอยา่าอาเสยครอยา่าอาศัยผู้ใดเลยการฝึกตนเนี่ยถ้าไปใช้คนอื่นให้คนอื่นช่วยเอาดีจากคนอื่นไม่มีเลยตัวเราก็ไม่ใช่กน ให้คนอื่นพาให้ดีธรรมะสอนให้ช่วยตัวเองตัวเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นช่วยเอาดีจากคนอื่นมจามนจ่ายให้มั่นใจให้มั่นใจในพระธรรมเขาสอนว่าปฏปิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏัติต้องทำเอาเองนั้นปัจจิตังของผู้ปัิ เป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีกอีก้เองเห็นเดงเป็นปจัจจดตังนี่ก็อาชาปูชาแล้วเราก็อยู่ร่วมกันมาก็อุนอกอุนจอยอุนแม่ชีเห็นยาเหีนโยงที่เป็นวาสกวาสิกา เหมือนหมู่พระสงฆ์ที่เป็นจังค่ร่วมสมัชชิตมัคีเข้าหมกหลงหอเข้าหมอหา้อหลงไหนเดียวกันอาชีเพเหมือนกันรักกันอารมณ์กันอุ่นใจแม่เราอยู่คนเรากติกลๆกันก็อุ่นใจอุจ่นใจก็มีอะไรที่ต้อง ไม่แบ่งปันมีแต่ความอุ่นใจสิ่งวัะหลามันดีอุ่นใจพืนใจสบายใจเพื่อนดีมิตรดีเฉยดีเป็นทั้งหมดของของมาจาย์เป็นมรรคเป็นผลได้อ่าสมควรใจรเวลาเนีย